ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงทําจากมหาวิทยาลัยศีปทุมในวันนี้คงพูดเรื่องปฏิสันลาในสูตรสืบต่อจากที่ได้กล่าวไว้ในวันก่อนวันก่อนได้พูดถึงหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่พระเจ้าประเนสนนิพุสสนในข้อแรก ว่าความมีศีลพึงทราบด้วยการอยู่ร่วมกันและต้องอาศัยการอยู่ร่วมกันนานๆไม่ใช่เวลาสั้นๆในขณะที่อยู่ร่วมกันนั้นจะต้องใช้หลักโยนิโสมนสิการคือการใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบสืบสาวถึงที่ไปที่มาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมาตรฐานในการวัด ความเป็นผู้มีศีลหรือไม่เป็นผู้มีศีลของบุคคลเหล่านั้นเพราะตามปกติแล้วคนเราจะมากไปด้วยการเสแส้งการโอร้โอวดการแข่งดีการมารยาการหลอกลวงในรูปแบบต่างๆซึ่งหมายความอาการของกิเลสจนี่ิงสะท้อนง่ายกว่าอาการของธรรมะ ในเลวลาเขาแสดงออกมาจริงๆจะยากต่อการสังเกตนมนุษย์จึงเป็นสัตว์โลกที่เขาจะยากตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตะคงเป็นเช่นนั้นตลอดไปาการจะตัดสินใจอะไรง่า ย, ายๆโดยการบอกเล่าหรือว่าการแสดงตัวของบุคคลเหล่านั้นตลอดตึงการมีหน้ามาการมีแนวร่วม ในปัจจุบันโลกของยุคสื่อสารโทรคมนาคมไม่มใช่การโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นหลักแล้วก็ชี้นำความคิดของคนเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ตัวเองต้องการการปรากฏตัวในฐานะผู้มีสีทธิ์จึงปรากฏได้เห็นในที่ต่างๆแต่ว่าเขามีจริงหรือไม่มีจริงเนี่ยไม่มีใครรู้ การตัดสินใจง่ายๆ ย, ยอมรับนักถือไปง่ายๆก็อาจจะตกเป็นเครื่องมือเขาได้ง่ายแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้หมายความปฏิเสธเพียงแต่ว่าให้อาศัยความฉลาดเฉลียวคือไม่ถึงกับไประแวงมากเกินไปแต่ต้องระมัดระวัง เพไม่ให้มีการถูกหลอกลวงต้มจุนด้วยวิธีการต่างๆอย่างข่าวคราวที่สื่อมวลชนเขาสำมาเผยแพร่เนี่ยเรียนได้ว่าเป็นลักษณะของการหลอกลวงด้วยวิธีการต่างๆของกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายที่ทำไปด้วยความโลภหลงคือโลภ ก, ก็คืออยากได้เพื่อตอบสนองความต้อง ก, การของตัวเอง แต่ที่หลงใหคนเหล่านั้นเข้าใจว่าสิ่งที่ได้มาด้วยวิธีการนั้นคือการได้แต่ที่จริงคือการเสียเพราะความสุขที่เกิดขึ้นจากการได้เป็นระยะสั้นๆแต่การที่ตกตรมของคุณภาพจิตเนี่ยเป็นระยะยาวมีความทุกข์รออยู่ข้างหน้าพูดง่ายๆว่ามีนรกรออยู่ข้างหน้ า, าะในการได้บางครั้งเนี่ยมันก็คือการเสีย แล้วก็เสียมากกว่าได้แต่ว่าถ้าคนยังมีโมหะมีโลภะมากเนี่ยมันจะแยกไม่ออกการจะแยกออกได้ก็คือโมหะต้องลดลงโลภะต้องลดลงลโทสะต้องลดลงเพราะว่าภายใต้กระแสของกิเลสเนยากที่จะหาความเข้าใจที่ถูกต้อง เราะกิเลสทั้งหลายเวลาเกิดขึ้นไปในใจมนุษย์เนี่ยมันเป็นอารมณ์เท่นั้นหรือใช้าอารมณ์เท่นั้นแต่บางครั้งเป็นอารมณ์แรงแรงเป็นอารมณ์เยี่ยงสัตว์ในการต่อสู้ปราดประหารกันอย่างรุนแรงบางครั้งข่ า, า, าวกสะท้อนมาจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ได้สารนึกไหมแต่ของมนุษย์เป็นข่าวคราวเราได้ยินได้ฟังอย่างี้ การต่อไปคือความเป็นผู้สะอาดหรือไม่สะอาดค ำ, คำว่าสะอาดที่จริงยังเน้นอยู่ที่เรื่องสีนะเรื่องธรรมะเพราะว่ากายสะอาดวาจาสะอาดมันเป็นการสะท้อนจากใจที่สงบจากกิเลิพราะาดจึงเป็นอาการของสี เม้อเมื่อเมื่อเป็นอาการของศีเราสังเกตได้จากการกระทำและการพูดแต่ในที่นี้พระเจ้าทรงใช้คำว่าพึงทราบได้โดยการปราศัยแต่ความสะอาดนั้นแลพึงทราบได้โดยการละนานถึงหมายความว่าปราศัยเขาปราศัยก็พูดนานเราฟังจากการพูดของเขาเนี่ย แต่ตามปกติแล้วเราจะมองตามตัวอักษรที่ปรากฏไม่ได้มองถึงลักษณะที่แฝงเร้นอยู่เบื้องหลังของภาษาที่ปรากฏในเวลนี้มีการด่ารัฐบาลว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนสึงบางครั้งมากล่าวก็เป็นเรื่องกล่าวหาเป็นเรื่องใส่ร้ายไปสีกัน แต่ถ้าเราจะมองแบบจะผิดเนี่ยหมายความว่าคนทุกคนก็มีผลประโยชน์ซ้อนอยู่เช่นสมมติว่าเราสามารถเผยแร่ชี้แจงแสดงเหตุผลแสดงโทษของยาเสพติดได้อย่างชัดเจนจนคนเลิกยาเสพติดแล้วก็แสดงโทษของโรคเอดสได้อย่างชัดเจนจนคนเลิกสัำซส้อนในทางเพศ สังคมมันก็สงบมันสังคมมันก็ปลอดอาชญากรรมเป็นการอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขเราก็มีผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ตรงนั้นะเราก็อยู่ในสังคมของคนดีเพราะประโยค์กล่าวหาเหล่านี้พูดเมื่อไรมันก็พูดได้ทุกอย่างมันมีผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งนั้นและการครองชีวิตของมนุษย์ที่จริงก็เพื่อประโยชน์ ่พระเจ้าทรงแสดงหลักคำสอนทั้งหมดเนี่ยเป็นประโยชน์ในปนัจจุบันประโยชน์ในภายหน้าประโยชน์สูงสุดคือมรรค น, นิพพานและมันทับซ้อนกันภายในจิตเรานั่นแหละแล้วก็สังคมก็มีสูวนกระทบโดยเฉพาะย่างยิ่งคือเน้นกระทบในด้านบวดรดันการปราศัยของคนเนี่ยเราจะเห็นว่าตามปกติเช่นสมมติรอ่านบทความที่ปรากฏทางสื่อสารมวลชน ถเราอ่านโดยพิถีพิเคราะห์แล้วก็เรา้หาบทความที่ดีจริงๆนี่ได้ยากเพราะอะไรเพราะว่าใจผู้เขียนบทความมักจะลำเอียงด้วยสันทากติบ้างด้วยโมหกติบ้างด้วยโทสากติบ้า ง, าางแล้วก็ด้วยขยาคติบ้างยกตัวอย่างเช่นการนําเสนอข่าวคร า, าวทางภักได้เนี่ย นัวกวิจารจะแสดงให้เห็นถึงอคติคือมีพยาคติต่อกลุ่มผู้ผู้ก่ก อ, อการร้ายทั้งหลายแล้วบางครัง้งบางคราวก็มีโมหคติคือไม่รู้เรื่องจริงแต่ก็พูดได้เ ป, เป็นตุเป็นตาด่าคนนั่งดา่าคนนี้ดา่าคนโีนนนน้แต่ไม่กล้าดา่าผู้ก่อการร้ายหมายความว่าคนทาผิดเนี่ยเราไม่กล้าชี้ว่าเขาผิด แล้วก็ไปด่าคนซึ่งปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายเดีย๋ยวนี้นเราลองตั้งใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางภาคได้ก็กำลังจะลงโทษคนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายมันจะยิ่งหย่อนอะไรไปเนี่ยเป็นเรื่องรายละเอียดเหตุการณ์คือเซก็ดีเหตุการณ์ตักใบก็ดีนะฮะแม้แต่แม่ทัพภาคสี่ก็จะถกตุกตุกตั้งกรรมการสอบสวน เป็นเรื่องแปลกแต่จริงเพราะอะไรเพราะว่าใจของมนุษย์เนี่ยมีอคติแล้วก็อะไรที่เห็นว่าตัวเองจะปลอดภัยนะฮะหมายความมาตั้งกรรมาการสอบข้าราชการเนี่ยตัวเองจะปลอดภัยแต่ว่าไปสนับสนุนการเอาจริงอั จ, จังกับการก่อการร้ายเนี่ยตัวเองจะรู้สึกว่าเสี่ยงเลยก็ไม่กล้าไปเล่น นั่นก็คืออาการของของอคติข้อความเหตุผลคําว่าปราสัยนั้นไม่ได้หมายความว่าปราศัยอย่างเดียวแต่บางครั้งอาจจะแสดงความเห็นบางครั้งก็อาจจะแสดงเป็นบทความขีดเขียนการสื่อสารการรายงานข่าวอะไรต่ออะไรเนี่ยเราจะต้องมีการสังเกตตรวจสอบเยอะถึงจะตัดสินมิจฉยได้ว่าจิตใจเขาสะอาด จ, จริงไหมล่ะ ที่คุณนำเสนอที่คุณสะอาด จ, จริงแม้แต่การเผยแผ่ธรรมะก็เถอดเราเห็นว่าเผยแผ่ธรรมะถ้าเราแสดงตรงไปตรงมาพระเจ้าว่าอย่างไงเราว่าอย่างนั้นเรามีหน้าที่ซื่อสัตย์ต่อพระพุทธเจ้าแล้วก็มีความสุจริตใจต่อผู้ฟังตองการประโยชน์เป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ฟังเป็นที่ตั้ง ไม่มีคำถามว่าเราได้อะไรแต่ถ้าจะถามก็ถามว่าเราได้ประโยชน์อะไรคือได้ทาหน้าที่ของพุทธบริษัททำหน้าที่สืบสารพระพุทธศาสนาเท่านั้นเองส่วนอะไรจะติดตามมานั่นก็เป็นเรื่องอีกหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งแต่พเราทำได้อย่างนี้การประศัยมันจะออกมาในรูปของธรรมะนี่เป็นหลัก เราธรรมะเป็นมาตรวัดเอาวินัยเป็นมาตรวัดเป็นกฎเป็นเกณฑ์เราเองถ้าผิดธรรมะผิดวินยัยเราก็ผิดมันไม่ใช่ไปปกป้องตัวเองคุ้มครองตัวเองแล้วก็กิจการตัวเองจากความผิดจากความรับผิดชอบเหล่านั้นก็สแสดงว่าใจไม่สาดตรงนี้ท่านจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะการใช้ปัญญาการวิเคราะห์ไม่ได้มองสิ่งทั้งหลายตามที่มันปรากฏ แล้มองสาวลึกลงไปไปก้าถึงสาเหตุที่เป็นแกนแท้แกนหลักของเรื่องเรานันอย่างนี้เคยบอกไว้ว่าในแง่ของความเป็นจริงปัญหาทั้งหลายในโลกไม่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรแม้แต่ในขณะจิตเดียวเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากกิเลสลุนลนุนเพียงแต่ว่ากิเลสมากหรือน้อย แล้วสิ่งดีงามทั้งหลายนั้นจะอยู่ในกระแสของอริยมรรตตลอดใครจะเรียกชื่ออย่างไรก็ไม่รู้แหละแต่หมายความมาในขณะนั้นอาการของความโลภได้ลดลงอาการความโกรธได้ลดลงอาการความหลงลดลงราคะได้ลดลงแล้วก็สิ่งสร้างสารรค์พัฒนาต่างๆก็จะเกิดขึ้นมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับเหตุดังนั้นจึงทรงใช้โครงสร้างเดียวกันว่า ความเป็นผู้สะอาดถึงทราบได้ด้วยการปราศัยและความเป็นผู้สะอาดนั้นแลพึงทราบได้โดยการนานไม่ใช่โดยการนิดหน่อยต้องมณศิกาจึงทราบได้มนศิกาคือใส่ใจนะเราจะเห็นว่าตรงนี้ไม่ถึงจะใช้คำว่าโยนิโสมณติกาคือมณติกาเนี่ยมันเป็นอาการทางจิตและท่านควลองสังเกตว่า ที่มาในขณะฟังเรื่องนี้อยู่นในขณะใดที่ท่านไม่ใส่ใจไม่มนานัศกิการไม่ใส่ใจเนี่ยข้อความเราั้างจะผ่านเลยไปโดยเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรจ้ทาไปเพราะมนัสกิการในทุกเรื่องที่จริงมาเป็นอาการเรียนรู้โลกทางประสาทสัมผัสเช่นสมมุติเราเห็นรูปเนี่ยมันก็ต้องมีเห็นด้วยตานะเห็นด้วยประสาทตาจะขุดประสาทแล้วก็มีแสงสว่างช่วย เราเห็นรูปแล้วก็มีรูปไปเราเห็นรูปที่อยู่ในวิสัยที่เราจะเห็นได้แต่สามประการนี้จะไม่เกิดตัวรู้หรอกถ้าเราไม่มานาจิการคือถ้าเราไม่ใส่ใจทีนี้การใส่ใจตรงนี้มันต้องผ่านไปถึงระบบการคิดมันเป็นกระบวนการทางจิตหรือจะต้องคิดและจะเกิดความรู้ขึ้นไประดับต่างๆเพราะถึงบทจะตัดสินนิสัยนี่ข้อมูลรองเยอะ หรือทไใ่งานเรกาก็ตัดสินวินิจฉัยได้ยากอย่างเหตการที่เกิดขึ้นทางด่านด้านทะเลอันดามั น, นวนที่26สินหาคมเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตทิทีเดียวไม่ใช่ของประเทศไทยเพื่อจะเห็นลักษณะอย่างหนึง่งว่าองค์ความรู้หลักองค์ความรู้หลักคือสติสัมปชัญญะ มันมีความบกพร่องตัวความรู้ในกระบวนการคือก่อนจะเกิดเหตุการณ์จริงและขณะที่เกิดเหตุการณ์และเหตุการณ์หลังที่เกิดไปแล้วเนี่ยเราไม่ถนัดมากพอคุนภาพของบุคคลที่ผอนะ้ํามันลดวูบลงไปแล้ววิ่งตามลงไปโดยมันแสดงเห็นถึงอาการของโมหะที่ออกมาในรูปวิจิกิจชา คือสัตว์โลกเป็นอย่างนั้นเองฮะเขาสงสัยเขาอยากเรียนอยากรู้อยากทาความเข้าใจนะตราบใดที่เขายังตัดสินไม่ได้เนี่ยเขาจะอยากรู้อย่างนี้ที่บางครั้งบางคราวเนี่ยในความอยากรู้เร น, นำไปสู่ปัญหาได้หรือทำไม่มั่นใจไม่แน่ใจเนี่ยถ้าจะตัดสินหนีเราเร า, เราก็เห็นคนทุกพวกนะพวกที่พอเห็นก็หนีเลย แย่าพวกมาแกเนี่ยเขาหนีขึ้นที่สูงหมดมาเริอนพังไปจริงแต่ว่าพวกเขาไม่ได้ตายแต่คนที่ตายนั่นก็คือขาดองความรู้ที่ต่อเนื่องของเรื่องเหล่านั้นซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่นะฮะเรื่องใหญ่ที่ยากแล้วก็ปรากฏการณ์ธรรมชาติเนี่ยยังไงมนุษย์ก็ต่อสู้กับปรากฏการณ์ธรรมชาติไม่ได้พอถ้าเขาแรงมาเนี่ยเราก็ เขาตัวไม่รอดเราเรจริงๆเขาก็อยู่ในตัวเราอยู่แล้วดังนั้นขณะเดีกันมันก็ให้นะเขาให้หลักการของคนที่ทํางานข่าวคราวที่เราติดตามอยู่ตลอดมันจะโทษให้เห็นทั้งความสะอาดและไม่สะอาดโดยการแสดงออกของคนในรูปรักษ์ต่างๆนะทั้งศีลทั้งความสะอาดนะคือแสดงให้เห็น เรื่องเหล่านี้จึงต้องใช้ความคิ ด, คดทิมพิจารณานานๆแล้วก็มีปัญญาเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้มีปัญญาเท่านั้นฝึกทราบได้ผู้ที่มีปัญญาสามก็มีปัญญาน้อยนี่จะทราบไม่ได้มันเรื่องแต่และเรื่องมันไม่ใช่ง่ายต่อการตัดสินวินิจฉัยลงไปว่ามันจริงหรือไม่จริงถูกหรือผิดอะไรเนี่ย เมื่ก่อนได้รับเอกสารทำนองคล้ายๆกับอัศวนเทศเป็นการอธิบายกระบวนการเหตุผลที่เกี่ยวกับตําแหน่งสังกราชใ่อย่างวุ่นวายแล้วเพี้ยนแต่พอเราอ่านจริงเนี่ยเราเห็นว่าอย่างหนึ่งเนี่ยเขาก็อาคาติส่วนหนึ่งเนี่ยเขามีโมหะกติส่วนหนึ่งก็เป็นโทสะกติส่วนหนึ่งเป็นเจตนาดีเจตนาดีนี่ค่อนข้างมากนะ คือถ้าเราเปอร์เซนตมาวัดแล้วก็เจตนาดีในั่นเพิ่มขึข้นมาแกแล้วก็มองไปถึงที่ไปที่มาได้แต่สามารถอนุมานเราได้นะฮะหมายความมาเป็นข้อมูลที่จะสืบสาวไปถึงกลุ่มไม่ใช่ตัวคนนะฮะกลุ่มที่มาในเอกสารนี้ได้เรามาจากไหนทําไมมีข้อสังเกตตรงไหนตรงไหนตรงไหนตรงไห น, ไหนมันสืบสาวได้ แต่ว่าเขาก็มีสิทธิที่จะแสดงความเห็นเราะว่าเป็นปัญหาในพระพุทธศาสนาเราเนอย่างหนึ่งว่าลักษณะที่ขาดบรราสิการขาดบรราสิการก็ผูกโดยโมหะคติแล้วปัญญาหรือความรอบรู้เนี่ยเราเราขั้นตอนเนี่ยนี่ไม่มากพอปัญหาก็เกิดตรงนี้ถ้าหากว่าเรามีปัญญามากพอมีหลัก มนัสิการจนพัฒนาเป็นโยนิโสมนัสิกา ร, ก, ารก็คือกระบวนการของปัญญาในการจําแนแกแยกแยะรูป เ, เหตุของความเสื่อมเอิดของความเจริญแล้วก็มีบายวิธีที่จะหลีกหนีทางเสือ่อมไปดาเดนินทางเจริญได้เนี่ยมันก็ความสงบเรียบร้อยก็เกิดขึ้นได้ประการต่อไปนี่กำลังใจขวัญกาลังใจพลังจิตเนี่ยมันพิสูจน์คนเมื่อเกิดวิกฤต เราสั่งว่าพึงทราบได้ในเพราะอันตรายหมายความยายามมีอันตรายบางเกิดขึ้นคนจะแสดงสัญชาตญาณกลัวภัยสัญชาตญาณเอาตัวรอดออกมาก็เป็นธรรมชาติของสัตว์โลกการกินนอนกลัวนะกลัวเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยเรากลัวไปสารพัดกลัวนะแต่เหตุการณ์เนี่ยมันพิสูจน์มนุษย์อะ คือถ้ามนุษย์ใช้สัญชาตญาณกลัวแบบสัตว์หมดมันก็นําพาชาติบรรพเมืองไม่ได้เพราะเวลามีอันต ร, รายมันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอันต ร, รายโดยธรรมชาติปุถุกภัยก็ดีอัคคีภัยก็ดีวาตภัยก็ดีนะหรือภัยที่เกิดจากแผ่นดินถลม่มแผ่นดินไหวอะไรต่างๆภัย ป, ปรากฏธรรมชาติทั้งหลายเนีย กำลังใจขวัญกำลังใจของคนต้องไม่เสียต้องหนักแน่นแล้วก็ทําใจยอมรับความจริงนะฮะไปพูดอะไรไม่ได้เรื่องธรรมชาติเนี่ยในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เนี่ยเราดูเรื่องเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ว่าอย่างตอนพระนเรศวรไปเชิดหน้ากับฟาอุปราชาเนี่ยตรงนี้คือกําลังใจ ว่าถ้าท่านขวัญเสียหรือกำลังใจเสียเกิดตื่นตลกเกิดกลัวหรือ ก, กังวลขึ้นมาแวบเดียุ่ยงเหยว่เพราะการที่พระไทยเด็ดเดี่ยวขนาดนั้นแล้วก็ตั้งหลักได้เลยไม่ประวนันพรึงอะไรเลยถือว่ายิ่งใหญ่มากๆก็เป็นลักษณะของหมาบุรุษที่ไม่หวั่นไหว ทนี้คนเวลามีอันตรายที่ไม่หวั่นไหวเนี่ยตามปกติเขาเรียกว่าระดับอาชานในนะฮะหรือคนที่ฝึกมาดีพิเศษเนี่ยเป็นระดับอาชานในแล้วก็จะไม่หวั่นไหวกับเรื่องนั้นแล้วลองถึงเคนงานคนกลุ่มหนึ่งที่เราเราไม่ได้มองว่าเขาเองก็มีปัญหาที่เราจะหน้าที่ตํารวจอย่างเงี้ยถ้ขาของเราก็เสียหายไปด้วยนะตํำรวจที่นั้นนะบ้านเรือนก็เสียหายไปด้วยแต่เขาต้องไปทํางาน มันเท่าสาธารณภัยบางที่เราก็ลืมไปนะว่าเราต้องเอาขอ ง, ของไปให้คนเหล่านี้ด้วยหรือพวกมูลนิธิต่างต่างทห า, ตาะะรตำรวจอะไรเยอะมากนะเข้าไปเป็นหมืนม่นๆนะที่เข้าไปทำงานรับใช้เนี่ยแต่และคนก็เสียสละแล้วก็มีกำลังใจที่ดีมาก <นะ S 2> โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการไปเจอกระสบในสภาพต่างๆ แล้วเขาทำงานได้โดยปกติมาตาก็ยังยิ้มย้ําแจ่มใสก็ออิดโรยบ้างนือเหน่อยบ้างเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มาวควรแกการยกย่องชื่นชมนะแล้วพวกนี้ตามปกติก็จะเป็นวีรชนนิรนามจะหายไปตามกระแสไปตามกระแสต่างๆเนี่ยพวกอยู่เบื้องหลังทั้งหลายมันก็หายไปตามกระแส เสร็จเรื่องเสร็จงานตัวเองก็กลับไปอยู่บ้านจะทำงานน อ, อื่นต่อไปแต่ว่ามันก็เป็นการพิสูจน์กำลังใจวิกฤตการณ์ต่างๆไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเวลาวิกฤตเนี่ยมันต้องการจิตใจที่เข้มแข็งกล้าหาญแล้วก็หนักแน่นมั่นคงไม่อ่อนไหวไปกับอารมณ์ต่างๆอย่างตัวอย่างที่ยกมาเรื่องปฏททิวัน์ เราจะเห็นว่าตอนช้างาลาคีรีวิ่งมาเพื่อจะแทงพระพุทธเจา้าชาวบ้านก็วิ่งหนีกันตะลิรเปิดเผยกันะพระในอัตถิถาบอกว่ามีเฉพาะปรานนนท์แต่มาเองไม่ค่อยเชื่อนะพรับพระที่ไปอยู่ในขบวนนั้นต้องเป็นพระยะบุ ค, คอยู่เยอะพระยะบุคคลท่านไม่หวั่นไหวเร า, าไม่ตื่นเต้นกับเรื่องเหล่านี้ ในการวิ่งหนีของพระนี่หมายวเสียเชิงมากนะเราวิ่งหนีจริงจริงนก็จิตใจต้องหนักแน่นเพราะฉะนั้นเรียกตรมนี้ว่าในภาวะวิกฤตนี้ต้องการคนที่กล้าหาญวิกฤตอะไรก็ตามต้องต้องต้องมีคนที่กล้าหาญแล้วก็เป็นมาตรวัดสภาพจิตคนได้ประการนี้ ่อเจอภาวะวิกฤตเนี่ยจิตใจมันฮึกเขิมัมนมันกล้าหารนรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกที่ได้ไปเชิญกับเหตุการณ์เหล่านั้นคล้ายๆกับเราอยู่ในทะเลแล้วก็เจอคลื่นลมแรงๆเนี่ยที่จริงถ้ากว่าจิจตใจดีสติสมรชัญ ญ, ญาดีนี่ก็เป็นเรื่องสนุกอย่างหนึ่งนะเป็นเกมที่ท้าทายความรู้ความสามารถของเราอันแตเราดูเหตุการณ์ต่างๆ ท, ที่เกิดขึ้น รายเดือนตุลาคมเนี่ยมันก็พิสูจน์คนคนเก่งเยอะนะพิสูจน์คนเก่งที่ตั้งหลักได้มีความหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือคนที่มีประสบการณ์ตรงด้วยตัวเองมาแล้วก็อยู่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือราชการในตำแหน่งหน้าที่การงานต่างๆคนเหล่านี้ที่จริงในระยะหลังเนี่ยก็น่าจะสมรวจหามาแล้วก็ยกย่อง ขึ้นมาในฐานะตำแหน่งต่างๆเช่นว่าให้รางวัลให้เงินเดือนอะไรตอะไรเนี่ยเพราะว่าเขาผ่านวิกฤตมาทำงานทำงานที่เรียกว่าเกินกำลังเนี่ยเป็นคนทำงานได้เกินกำลังแล้วก็มีความเสียสละมีความตั้งใจสูงที่มาชื่นชมมากเนี่ย ซึ่นชมดีใจมากๆเนี่ยคือจิตวิญญาณของความเป็นไทยเนี่ยยังอยู่ครบแหลคนไทยเวลาเกิดวิกฤตจะเป็นอย่างนี้จะทุ่มเททุกอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วจะไม่ทอดทิ้งกันไม่ว่าวิจิตรการยังไงก็ตามเหตุการณ์ข่าวตะวันออกกลางข่าวหนึ่งที่เราเชื่อเหตุการณ์ที่เขาใหญ่ที่คนหาเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวสิงคโปร์ที่มาหายที่โตนะน้าช้าง ตลอดทั้งว่าคนที่ถูกน้ำอะไรหลากไปแถวนครนายกนี่ในการแต่ละคราวแต่ละคราวเนี่บอกเออนี่คนไทยนี่คือเลือดไทยเลยมันอยู่ในสายเลือดเลเวลามีภัยมีอันตรายจะไม่ทิ้งกันแล้วจะช่วยเหลือกันแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่จะเป็นวีรชนมีระนามก็หายไปกับกระแสของสถานการณ์พอทุกอย่างจบก็คือจบ เดี๋ยวมาเคยตั้งข้อสังเกตแล้วเคยถามนายทหารผู้ใหญ่ว่าพระเจ้าตากสินเนี่ยท่านเดินทับจากเมืองจันทร์มาเข้าที่ธนบุรีแล้วไปที่อยุธยามาได้ยังไงโดยพระมาณดานั้นแสดงให้เห็นว่าบนเส้นทางนี้มีวิถชนนิรนามเยอะๆที่คอยเบีเ่ยงเบนความสนใจของพวกพมา่าเอาไว้ แล้วก็ทำให้กองทัพของโรงเข้าไปได้ถึงผลบุรีไปไข่ที่นายทองอินรักษายอยู่ถึงไข่ของสุกีพนายนกองได้เหตุการณ์เหล่านี้จึงเป็นเป็นเกียรติที่ภูมนะิเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยแต่ว่าที่น่าเสียใจก็คือว่าที่สามจังหวัดภาคใต้เนะี่ยยังมีเหตุการณ์รุนแรงอยู่ระลึกไม่ออกฮนะ ในขณะเดียวกันที่พวกอาสาสมัครต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือหลายพันนะพวกตำรวจพวกอาสาสมัครต่างๆที่อาสามาช่วยที่ที่หกจังหวัดโดยเฉพาะสี่จังหวัดด้านทะเลนดามันเนี่ยมีจำนวนหลายพันนั้นก็แสดงให้เห็นว่าในสังคมเราก็มีคนอย่างนีน้แต่ว่าไม่ควรจะไปซ้ำเติมสถานก า, ารณ์ ซึ่งมันรุนแรงเกินเหตุเกินผลนี่ ย, คยัคือเราจะเห็นว่าปัญหาสาถานภัยอย่างเงี้ยเราแก้ไขได้ยากแต่ปัญหาที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยถ้ามนุษย์หยุดคิดตัดสินใจหยุดตัวเองแล้วิจิตตรงนี้ที่จริงแก้ง่ายจังมันแก้จากใจเนี่ยพลิกจิตทีเดียวก็แก้ได้ไม่มีอะไรเลยเราพลิกจิตทีเดียวเราก็แก้ได้ ดัง น, นก็แสดงให้เห็นว่าคนเหล่านี้เขาคิดว่าเขาจิตใจเข้มแข็งนี่จริงจิตใจอ่อนแอนะตั้งแต่กิเลสจะสั่งการบงการผลักใสไปเล่นไปทําอะไรลองเรียกมาคุยดูแต่ถ้าจับได้ตัวจริงตัวจริงเอามาคุยดูเลยไม่มีเหตุผลอะไรในการใช้ความคิดส่วนตัวใช้อารมณ์ส่วนตัวแล้วก็ออกมารุนแรงรุนัร๊าด มันกำลังใจจึงพิสูจน์ได้โดยปัญญาคือสถานการณ์จริงก็งมีสถานการณ์จริงอ่ะถ้าไม่มีสถานการณ์จริงจะพิสูจน์ยากแล้วก็เหมือนกับ น, นิทานที่เขาเล่าถึงส า, ายสองคนเดินไปในป่าแล้วก็ตกลงสัญญามั่นหมายกันว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะฮาจะอันหลังชนกันแล้วจะไม่หนีจะไม่ถอดทิ้งกันพูดไปพูดมาเห็นหมีเดินมาไอ้เพื่อนที่พูดอนะ่ะวิ่งหนีขึ้นต้นไม้ไปแล้ว คนที่ไม่ได้พูดเห็นท่าไม่ดีก็ล้มลงนอนอั้นลมหายใจทําท้องปฟองๆเวยหมีเดินมาลมๆแล้วก็เดินเลยไปเพื่อนไปอยู่บนต้นไม้ก็ลงมาถามว่าหมีมาคุยอะไรพูดอะไรเพื่อนก็โว้ไวนะฮะบอกว่าหมีมาบอกว่าอย่าหมีอย่าคบเพื่อนที่เมีเอตัวรอดเมื่ออย่ามีอันตรายเพราสถานการณ์เหล่านี้สถานการณ์วิกฤตที่จริงมันมันช่วยอะไรได้เยอะ เพราะตามปกติแล้วคนเราจะไม่รู้จักคนของเรานะแม้แต่คนที่กล้ชิดในยามที่เรามีบุญบารมีมีทรัพย์สินเงินทองมีผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับโดยวิธีการต่างๆได้เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าใครสุจริตไม่สุจริตแล้วก็จะพิสูจน์ได้ก็ต่อเมื่อคือหมายความคนมเรียนมากหรือคนมีเงินเนี่ยจะไม่รู้จักคน แต่ว่าคนที่ตกต่ำลงไปประสบความพิบัติสูญเสียเนี่ยดูเหตุการณ์วันนั้นก็มีคนอะไรที่มีรู้สึกอยาน้ําเข็มนะก็เป็นเป็นคนในส่วนกลางเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจังหวัดอะไรพอรู้ข่าวเนี่ยเขาเคยรับอุปกรารคุณจากคนกลุ่มหนึ่งที่น้ําเข็มเขาไปไปติดตามหาไปช่วยแล้วก็จะอยู่ช่วยอยู่ตรงนั้น แล้วก็พยายามประสานงานติดต่อข้าหน่วยงานต่างๆคนอย่างนี้หายากเพราะว่าวิกฤตอย่างนี้เราก็เจอคนอย่างนี้จริงหายากใครมีเพื่อนอย่างนี้ได้สักคนก็บุญนะเพราะในการวิกฤตตรงนี้ก็ทําให้เราได้คนเห็นคนรู้จักคนเกาเจอคนได้เยอะและน่าจะหมายตาเอาไว้นะะฮน่าจะมองเอาไว้ว่าคนเหล่าเนี้ยเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เขาก็แสดงออกมาในลักษณะอย่างไง โดยเฉพาะด้านดีนะฮะคุณแก่การยกย่องชิงชัยประการต่อไปปัญญาคือความรอบรู้ของมนุษย์นีปัญญาความรอบรู้จนถึงจุดหนึ่งเขาเรียกว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงมันไปทำลายตัวโมหะคือความหลงทีนี้มนุษย์เราเนี่ยถ้าโมหะมันลดแล้วโลภราคะโทสะมันลดได แล้คนจะมีปัญญาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพูดได้เขียนได้พิปรายเก่งด่ากเก่งอะไรแต่ะะไรปากจัดมันไม่ใช่อย่างนี้คือปัญหาว่ากิเลสเธอลดหรือเปล่าถลดราคะลดโลภะลดโทสะลดโมหะหรือเปล่าอย่างนี้มาอย่างมองนะว่าการศึกษาเราห่วงใจการศึกษา ว่าต่อไปอาจจะเป็นธุรกิจทางวิชาการที่แข่งการบริการเป็นการแข่งแข่งขันขายบริการทางการศึกษาแล้วในที่สุดครูบาอาจารย์เนี่ยจะเรียกร้องเงินทองเมื่อก่อนฟังนายแพทย์คนหนึ่งเขาออกรายการที่จริงเขาเอามาจากรายการที่ CP ยกวัดมาไว้ที่ CP นะฮะ ทุกวันก็เปลี่ยนเป็นเซเว่นอีเเวนคือเขาบอกเ้ามีเงินเดือนในค่าพวกสัญญกรรมนะทางสัญญก ร, รมมีเดือนเดือนหนึ่งทั้งเจ็ดแสนมันก็แสดงว่าเราก็ไปเรียกร้องเขาเยอะเรียกร้องเขาเยอะในค่าค่าทําสัญญกรรมแต่ละข่าวแต่ละข่าวนีมันก็กระเทือนนะกระเทือนลงไปทั้งข้างล่างคือฐานล่าง แอันตราที่จะตามมาก็คือว่าเมื่อนักเรียนเขาซื้อวิชาการเนี่ยด้วยราคาแพงๆความบริบับถือครูในฐานะเป็นบุปการีนจะลดลงเราจะเป็นการมองกันแบบลูกค้ากับพ่อค้าคือความผูกพันกันด้วยจิตใจที่มีสำนึกบุปกากรีจะดำอยูกับตวเวชีในแนวเดิมในแนวหลัก มันจะจางคลายลงไปแล้วก็ปัญหาต่อไปคือกระทบสังคมที่เป็นส่วนรวมแคนจะพบกันด้วยเงินแตัดสิ่งทุเรเงินอะไรก็เงินอะไรก็เงินก็น่กนากลัวนะมองมานานแล้วก็มองเ ป, เป็นปัญหาที่น่ากลัวเวลาไปสอนไปบรรยายไปเป็นอาจารย์พิเศษที่บางแห่งหรือเขาอะไรเราเขาตกใจนะที่มันมากเกินไป เป็นระเบยียบกฎเกณฑ์ของราชการเขาเนะแต่เราก็มองว่าเออมันมันไปตั้งกฎเกณฑ์เงื่องขายไปมากเกินไปถือเอาเงินเป็นศูนย์กลางเนี่ยมันจะมันก็ได้ฮะเป็นเป็นรู ป, ปรวัตถุแต่ไม่ได้ใจมนุษย์มาคนเราถ้าไม่ได้ใจแล้วก็ก็ อ, อยู่กันยากนะก็สำคัญอยู่ที่นั้นใจนะ โบราณจะใช้หลักปลูกไมตรี่ารู้ร่างสร้างบุญส่วรู้รวยเนี่ยมั่อยู่ที่มีน้ำใจต่อกันการใช้ปัญญาพิจารณาตรวจสอบกันเนี่ยต้องคุยกันนะฮะต้องคุยต้องถกเถียงต้องซักถามต้องอภิปรายแล้วก็ต้องใช้เวลาใช้เวลามากพอสมควรแล้วก็ต้องมานัติการคือต้องคิดไปเรื่อย ไม่ใช่บรรณาธิการเฉยๆนะฮะต้องเป็นระดับโยนิสม์นักการโดยใช้ปัญญาพิจารณาตรวจสอบเทียบเียงแล้วก็คนที่จะไปวินิจฉัยตัดสินเ้าเนี่ยต้องมีพื้นฐานทางปัญญามากพอแต่พื้นฐานทางปัญญามากพอมันก็ไม่มากพอมันก็ตัดสินวิจัยอะไรไม่ได้ัดงนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดง ấy, ก็ทรงสรุปนะฮะทรงสรุป แต่มันก็สะท้อนภาพของของวิถีชีวิตของชาวบ้านสมัยนั้นซึ่งถือว่าเป็นยุคการมาสุขัานิการุโยกเป็นยุคเดียวกับยุคนี้นะคล้ายๆกันยุคสังคมบริโภคคือเราดูอะไรการแนะนำอาหารทางโทรทัศน์เนี่ยเราสยองนะโอ้โหมันกินกันขนาดนั้นน่ะคนอะมันกินมากมายไกลกองอย่างนั้นแม้แต่ว่าไปฉันในในงานอะไรที่เขาเนี่ยมันนับปกติมากก็ไม่ค่อยได้ออกไปไปฉันนอกวัด แต่เราไปเห็นแล้วเราตกใจอ่ะเฮ้ยทำไมมันกินกันมากมายแก่กองอย่างนั้นน่ะบางทีเราไปต่างจังหวัดเนี่ยคือต้องขยับถอยหลังเราอาหารมันลุกเอาหรือไม่ถึงน่ะมันเยอะเกินจริงนเลยเราเห็นว่าเป็นสังคมบริโภครุ่งเฟือ่อยหรือร่าแข่งขันกันขวดประกันกันจินเปลืองไปมากมายแก่กองแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าที่ควรหรอก วันสังคมในแนเนียมันมันมีมาแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่แล้วที่พระเจ้าทรงเริ่มมาจากการมาสุ ข, ขการลิกานุโยกตั้งแต่สมเต็สนาพนระเจ้าเองก็เติบโตมาในสังคมบริโภคที่รู้ราคู่ฟ้าพุ่งเฟื่อยวันภาพเหล่านี้พระพุทธเจ้ารับสั่งรับสั่งว่า พระเจ้าปเสนทุกขโสนก่อนนะพระเจ้าปเสนทุกขโทสนกลาวถึงว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไม่เคยมีมาพระผู้มีพระภาคในสัตว์พระดำรัตนนี้ว่าดูกอดหมาบ่อพิษมาบ่อพิษเป็นคือหัดบริโภคกามครองทรงครองคาราวาสขับขั่งด้วยพระโอรสและพระมเหสีคับขั้งนะลูกเยอะเมียเยอะแล้นึกนึกถึงภาพไปนะ ไม่ถึงภาพเออกษัตริย์สมัยนั้นที่เ้ามีมาสีเป็นฝูงเนี่ยขนาดซ้ายขนาดฝาอยู่ในห้องเดียวกันโอ้ดูแลอะไรไม่ต้องเจาะกุดดนั้นก็คือโลกโลกของเบญจากามคุณเบญจพิทธการรมคุณนะฮะกามคุณที่มีอย่างห้าสงใช้สอยผ้าคแคนกาสีและจันจันนี่เป็นเครื่องหอมนะผ้าคแคนกาสีละเอียดมาก ราคาแพงมากปัจจุบันก็ยังมีขายอยู่นะแล้วก็ผู้เจ้าเองนี่ทรงใช้ผ้าแฟงกระสีตอนเป็นเจ้าชายจิตตธรทรงทักทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องประืองผิวอันนี้ที่ที่มาเป็นนักจากยีตะวาดิตะนมารากันทัพ บ, บิเลปะนะธ า, ารณะมัณฑนั้น่มาเป็นสีลข้อที่ที่แปดนะฮะสีลข้อที่แปดแล้วก็ ทรงยินดีเงินและทองยากที่จะรู้ได้ว่าท่านเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์หรือว่าท่านเหล่านี้บรรลุอารหันตสมาธิแต่นี่คือหลักการทั้งแต่นีน้เราจะเห็นว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่จมจำเป็นจะต้องเป็นพระวันก่อนลูกศิษย์เขาเป็นเจ้าของบริษัทแต่ว่าเกี่ยวข้องกับทางการเมืองก็แนะนําเขานะก็ามาปีใหม่เราวเขามาทุกปีะ ก็บอกว่าจะเป็นพระหรือคารวะก็ตามที่ต้องเรามาระวังในสี่เรื่องคือหนึ่ง 1, การได้มาซึ่งปัใจจัยในการครองชีิตต้องโปร่งใสต้องเป็นสมารชีพแล้วประการที่สองนี่ก็คืออย่าไปเกี่ยวข้องเรื่องสิ่งสักดิ์อย่าไปเกี่ยวข้องเรื่องเงินทองในทางที่ไม่ชอบแล้วก็ปัญหาเรื่องเพศ หมายความถ้าใครเจอไอ้สี่เรื่องนี้สักเรื่องหนี่นะเอาตัวรอดยากมันจะเศร้าหมองมันจะพร่ามัวมันจะขัดไม่ขาวนะขัดยังไงก็จะไม่ขาวดังนั้นพระเจ้าประเสริฐเนี่ก็สนก็ทบทวนต่อไปนะบอกว่า ดุก well, ่อมหาปพิศีลพึงทราบได้โดยการอยู่ร่วมกันและเสียนั้นแลพึงทราบได้โดยการโดยการนานไม่ใช่การนิดหน่อยมานาิการจึงพึงทราบได้ไม่มนาทิการไม่พึงทราบผู้มีปัญญาพึงทราบได้ผู้มีปัญญาทราบไม่พึงทราบความสะอาดจะพึงทราบได้โดยการปราศัยและเป็นความสะอาดนั้นและพึงทราบได้โดยการนานไม่ได้การนิดหน่อยมานาิการจึงทราบไม่มานาิการไม่พึงทราบ ก็ทบทวนก็ความเดิมทั้งหมดทบทวนก็ความเดิมทั้งหมดจนมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็กรบทุนสารภาพสารภาพว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกราชบุรุษของหม่อมฉันเหล่านี้ปลอมตัวเป็นนักบวชเที่ยวสอดแนมสวดชนบทแล้วกลับมาพวกเขาตรวจตราก่อนหม่อมฉันจัด ต, ตรวจตราภายหลังข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังนี้พวกเขา ลอยทุลีและมุนทินแล้วอาบดีแล้วไล่ทาดีแล้วตัดผมโกนหนวดแล้วมุ่งผ้าขาวอิม่มเ อ, อิบพรั่งพร้อมด้วยกามาคุณห้าบำเรอตนอยู่เมื่อควกลับถึงบ้านก็เป็นค า, วาราวะอ่ะคารวะก็อยู่กับลูกกับเมียแกรอาจจะเยียดอย่างที่พระเจ้าประเสริฐนิโคสนทรงเป็นอยู่นั่นเองพระเจ้าทรงปราบเรื่องนี้ คือเราจะเห็นเห็นลักษณะอย่างหนึ่งนะฮะว่าพวกนี้ใช้เพศนักบวชเนี่ยเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์ของฆราวาสของผู้ครองเรือนพระเจ้าก็ทรงเปล่งเป็นผู้ต่วอวิธานว่าบรรพชิตไม่ควรพยายามในบาปทั่วไปคนนี้ยังไงก็เป็นบรณฑพชิตนะแต่ว่าพยายามในบาปทั่วไปเป็นการสะท้อนว่าบรณฑพชิตในพระพุทธศาสนาบรณพชิตเรียผู้เว้นบาป เานีย่าพยายามทำบาปไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามให้ตระหนักบาบาปแม้มีประมาณน้อยก็ให้ผลเป็นความทุกได้ไม่ควรเป็นคนใช้ของผู้อื่นไอ้ น, นี้คือใช้เพศเป็นบนรรญัตชิตแล้วไปรับใช้บ้านเมือ่อพลาดมากไงนะใช้เพศบรรญัตชิตไปรับใช้บ้านเมือ่อแล้วเข้าใจว่าเหตุการณ์ที่พระเราต้องโกนคิ้วเนี่ยมาคงมาเกิดมาจากเรื่องนี้ เรือ่องว่าเพื่อนบ้านเนี่ยส่งคนปลอมมาเป็นพระมาพระไทยเลยก็ต้องใช้สัญญาณใหม่เป็นที่รู้กันว่าถ้าพระไทยก็ต้องโกนคิ้วแม้ในวินัยไม่บัญญัติไว้เนี่ยมันเป็นเหตุผลทางการเมืองแล้วก็ไม่ควรอาศัยผู้อื่นอยู่หมายความว่าการครองชีวิตของพระเนี่ยแน่นอนบนรรพชิตเนี่ย มันก็เลี้ยงชีวิตเพราะว่าคนอื่นเขาบริจาคศรัทธาแต่ว่าจะต้องประพฤติปฏิบัติคือเขาเห็นว่าท่านเป็นนาหนาุนโยทักกิในโยอัญญริกาในโยอนุตรังบุญยเขตรตังโลกะสะแล้วก็ท่านทําบุญอันนี้ไม่ใช่อาศัยแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในศีลในธรรมตามที่มันประชิดควรปฏิบัติแล้วก็ถือว่าเป็นอาศัยผู้อื่นอยู่ไม่ควรแสดงธรรมเพื่อประโยชน์แก่ทรัพย์อันนี้คือหลักการนะ หลักการที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้เป็นคู่มือทํากระทึกว่าไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภวางไว้เลยนะมีจิตที่เรียกว่าสงฆ์ข้อยชาวบ้านในน้ำใจทีด ง, งดงามนั่นเป็นหลักการในทางพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพระยึดถือตรงนี้เป็นธรรมนูญในการทํางานอะไรก็ตามคือไม่เห็นมุ่งไปที่เงินนะแต่ว่าแน่นอนแหละคนมากๆบางอาจจะแหว่งแหวงเพียเพ้ยนเพี้ยนไปบ้าง โดยส่วนใหญ่แล้วเนะี่ยยังรักษาหลักการเหล่านี้อยู่ทุกฝัง่งทั้งหลายสิญงทางจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาตร ง, งนี้ที่ส่วนนี้ขอขวามเจริญงองามไพบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี